ข้อ9คำว่าอุปสรรกมิตรวาเป็นคำแสดงถึงอวาสานแห่งการเข้าเฝ้าอีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าเทวดาผู้ไปแล้วอย่างนี้ไปแล้วสู่สถานที่ใกล้กว่านั้นกล่าวคือสถานที่นับว่าใกล้พระบรมศาสดาบทว่าอภิวาเนตวาได้แก่ ถวายบังคมแล้วบทว่าเอกมันตังได้แก่ณนะโอกาสแห่งหนึ่งคือณนะข้างหนึ่งบทว่าเอกมันตังนั่นเป็นนปุงสกลิงตามภาวะอีกอย่างหนึ่งบทว่าเอกมันตังนั่นเป็นทุติยาวิพัฒต์โลงในอัดสัตมีวิพัฒต์ความว่าณนะ โอกาสแห่งหนึ่งบทว่าอัทธสิได้แก่สำเร็จการยืนอธิบายว่าได้เป็นผู้ยืนแล้วความจริงเทวดาผู้ยืนเว้นโทษแห่งการยืน6ประการคือยืนข้างหลังนัก1ยืนข้างหน้านัก1ยืนที่ใกล้นัก1ยืนที่ไกลนักหนึ่ง ยืนที่เหนือลมหนึ่งยืนที่สูงหนึ่งชื่อว่ายืนณที่ส่วนข้างหนึ่งถามว่าก็เพราะเหตุอะไรเทวดาตนนี้จึงไม่นั่งแกว่าเพราะต้องการจะกลับเร็วความจริงเทวดาทั้งหลายมาสู่มนุษย์โลกซึ่งเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเหมือนที่ตั้งเวท เพราะอาศัยเหตุบางอย่างเท่านั้นก็ตามปกติจำเดินแต่หนึ่งร้อยโยชนยุโลกย่อมเป็นสถานที่ปฏิกูลสำหรับเทวดาเหล่านั้นเพราะมีกลิ่นเหม็นพวกเทวดาย่อมไม่ยินดียิ่งในมนุษย์โลกนั้นเพราะเหตุนั้นเทวดาตนนี้จึงไม่นั่งเพราะต้องการจะทำกิจของผู้มาแล้วกลับเร็ว